back uh -huh. Yeah <clears throat> الر ลรัหีมอิน د ั ل ฮะมดุล وناستعينه وناستغفرو و ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضل فلا ه ا د ي له وأشهد أن لا إله ل ا الله وحده لا شريك له و ش ه د أن م ح م د ا عبده ورسوله ا l l a h u m ا a bika a s b a h س a wabika amzaina w a b i ا a nahya w a b i أعوذ بِكَ لِمَاتِ الْهِتَامَاتِ مِن شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ م َ ع َ س م ِ ه ِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ รับย بِاللَّهِ ر َ ب บّ ا وبالإسلام ดินาَบิมุฮัมมัดอิลลَสโวละอัลลอฮ إِنِّي أعوذبك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذبك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พ <ت ص> ี <في> ่น <ق> <ت> ้อ <ص> ง <في> ท <ق> ี่ร่วมนมา สุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับอัล h a m d ล l i l l a h เราขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ชุกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่บนโลกใบนี้ไม่กี่วัน <c oughs> 60ปี70ปีเนี่ยไม่ยาวหรอกแต่ว่าหกสิบปีเจ็ดสิปีของเราเนี่ยมันกำหนดนะ ไอ้ช่วงสั้นๆเนี่ยมันกำหนดให้ชีวิตของเรานั้นดีหรือว่าไม่ดีในโลกอาเคโรชีวิตสั้นๆบนโลกใบนี้เนี่ยมันกำหนดชีวิตของเราอะจะให้อยู่แบบลำบากหรืออยู่แบบสบายในโลกอาเคโรนี่มีนี่ได้รับวารสาร เป็นใบสองใบแล้วก็ถ่ายรูปคนที่ฝังไปแล้วแค่สามชั่วโมง <c oughs> หลังนำ้ำมานเมื่อกี้นี่คุณมัธีถึงนั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะที่มาน้ำมักับเราเนี่ยนาภาพเอาเด็กหนุ่มอายุสิบแปดเด็กหนุ่มอายุสิบแปดเนี่ย ทราบมาทีหลังว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่เอาศาสนาเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่เอาศาสนาแล้วก็ตายตายแล้วก็แค่สามชั่วโมงผ่านไปก็ไปขุดไปขุดศพนั้นพอขุดศพออกมาเนี่ยหน้านอย่างเงี้ยหน้าเละหมดเลยเหมือนกับถูกคนร้ายรวมกันสักพันคน ทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปให้หมอดูหมอได้สำรวจแล้วว่าหมอคนนั้นก็เป็นมุสลิมหน่อยนะเพราะว่านี่เป็นการโดนลงโทษจากกูโบจากสุสานจากภาพที่เห็นเนี่ยคนอื่นทำทำทำไม่ได้เนี่ยพ้ง ผ, ผมขาวหมดเลยพอฟื้นขึ้นมาไม่ใช่ฟื้นแขุดเอามา เอาศพขึ้นมาดูเนี่ยผมขาวเลยนอนแค่สามชั่วโมงอยู่ในสุาสานสดงว่ในกูโบนี่ถูกลงโทษจากอาลัลลอะ์เขาสรุปให้ฟังใครที่ไม่ละหมาดไม่อ่นอานกุรานฟังเพลงเต้นเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ไม่ดีจะมีบทลงโทษอย่างสาสมหลังจากหมออธิบายให้ฟังผู้ที่เป็นพ่อก็ยอมรับว่าลูกชายนั้นเป็นคนที่ไม่นมาดไม่ละหมาด ไม่สนใจศาสนาเที่ยวเล่นไปวันวันนั่นผลจากการที่เรามีลูกเราพวกเราเป็นเด็กเป็นนุมหรือคุณผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันให้ดูเรื่องอย่างนี้เอาไว้นาะนๆะนะนะเอาลอให้เห็นสักทีหนึ่งนะขออุอาวอนต่ออลัลลอ์นะนี่ถ้าอ่านกูราอ่านกัน เ, นเพื่ออะไเพื่อเตือนใจเราให้รักอลัลลอฮ์และรักรอซูน ขอบคุณอัลลุบฮานูวตาลที่วันนี้เราทบทวนอัลกุรอานเนี่ยมาถึงสูราะที่สิบเก้าแล้วสุราะมัตยมเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงสูราะที่สุราะมัตยมนี่หละอายาที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองนะสรุปจากครั้งที่แล้วเนี่ย เรื่องนบีอิสาอะลัยฮิสซลามซึ่งอัลลอฮ์ให้มั่วจีザตมั่วตนี่แปลว่าอะไรสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้นอกจากนาบีที่ AH อัลลอฮ์มอบมั่วจีザตให้เท่านั้นเองนบีอิสาพูดขณะที่อยู่ในเปลขณะที่อยู่ในเปลมีคนอยู่สามคนในโลก ที่อัลลอ์ได้แสดงมุ อ, อาจิสาท์ผ่านมีิวสามคนหนึ่งในสามคนนั่นก็คือนบีไอซาอะฮิสลามที่สามารถพูดคุยกับผู้คนในขณะที่นอนอยู่ในเปลได้สรุปให้พวกเราฟังก็คือว่านาบีไอซาพูดบอกว่าอินนีอับดุลลอหฉันเป็นบ่าวของอัลลอ์ข้อที่สองอาตานียลกีาบ Allah ได้ประทานคำพีอินยีนเนี่ยให้แก่ฉันเรื่องที่สามวจาจาอัลลนีนบียนันทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นนบีเรื่องที่สี่วจาจาอัลลนีมูบาโรกันทรงทำให้ฉันเป็นผู้สอนของดีๆแก่ผู้คนคนที่สอนอะเยอะแต่ส่วนใหญ่ ไม่ได้เอาคำสอนจากอัลลอฮรอซูลมาสอนแต่นบีไอซาเนี่ยเน้นเลยว่าฉันนี่นะเอาเรื่องราวจากคำพีอินยินยเนี่ยมาสอนให้กับประชาชนข้อที่ห้าว่าเอาซอนี่บิสิละบิสซละอัลลอฮสั่งฉันให้ทำนมาดข้อที่หวัด จ, จะกาอัลลอฮสั่งฉันให้ใจ่ายจากา ไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนก็ตามข้อที่เจอัลลอฮ์ทรงทำให้ฉันเป็นผู้ที่เชื่อฟังแม่ของฉันไม่เอ่ยพ่อเพราะอะไรเพราะนบีอิสาไม่มีไม่มีพ่ออ่านี่กคุรานพูดชัดเลยนะนบีอีสาไม่มีพ่อเลยพูดบอกว่าว่ า, วาบัรอมบิวาลิดตี อัลลอ์เนี่ยสั่งฉันหรือว่ามอบเรื่องดีๆให้ฉันเนี่ยปฏิบัติดีกับมารดาเนี่ยตัวตนนี้เป็นคำสอนที่ดีมากใครที่มีพ่อมีแม่เนี่ยต้องทำดีนะต้องทำดีกับยิ่งพ่ออายุแก่แล้วโอ้โหต้องทำกี่เรื่องเคยเล่าให้ฟังแล้วกี่เรื่องนะห้าเรื่อง ลูกตรงทำดีกับพ่อเนี่ยห้ารายการหรือกับแม่ห้ารายการมีอะไรบ้างหนึ่งอย่าพูดคำว่าอุฟเฮอสองอย่าตะเพิดอย่าไล่แค่ไล่ๆเ่นะพ่อนะแย่แล้วข้อที่สามให้นอบน้อมทอมตนอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ข้อที่สี่ ให้พูดจาเพราะเพราะอืมจะเห็นว่าเรื่องพูดเรื่องใหญ่ที่สุดเห็นไหมอุ้บก็พูดให้พูดเพราะเพราะเนี่ยก็พูดสองเรื่องแล้วนะไอ้สามเนี่ยไล่แล้วก็พูดจาเพาะเพราะแล้วก็อีกท่าทางอยู่ข้างหน้าพ่อแม่ต้องท่าทางที่นอบน้อมแล้วก็ทอมตนข้อที่ห้าให้ขอดูอาเรื่องทำเนะี่ยมีอยู่สองเรื่องก็เรื่อง ชายวาจาเนี่ยมีอยู่สามเห็นจะสังเกต น, นะะฉะนั้นเรื่องวาจาในเรื่องใหญ่เรื่องภาษาที่ออกมาจากปากเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลย <c oughs> ฉะนั้นมุมุมสลิมที่อ่านคุรานเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะครับต้องพูดจาดีๆนี่กับพ่อแม่นะต้องพูดจาดีๆทีนถ้าเราพูดจาดีกับพ่อแม่เนี่ยเวลาเราออกไปอยู่ในสังคมเราก็พูดจาดี ติดจากบ้านติดจากครอบครัวที่บ้านนะครับข้อที่แปดที่นะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ไม่ทำให้นบีอีสาเนี่ยเป็นคนหญิงยะโสท่าทางที่หญิงยะโสตะกำบุดเนี่ยเป็นท่าทางของไาปอลเลยนะฉะนั้นมุมมินุสลิมคนที่เป็นมุสลิมนี่จะต้องนึกตลอดว่าฉันจะต้องไม่เย่อหยิงไม่จองหองไม่ตะกำบุร อย่าลืมนะคนที่มีความรู้เยอะแต่ขาดอักษขาดนิสัยอย่างเดียวนี่มันหมดเลยนะไม่มีราคาเลยนะถ้าทางตะกรบพุทธเยอะญิงจองของนี่ไม่มีราคาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีอิสานี่มามาย้ำนะมาย้ในยุคยุคนูน้นนเราะฉะนั้นคำสอนของนบีอิสานี่เอามาใช้ในยุค ย, ย, ยุคราวได้ไหมได้ แล้วนบีมุฮัมมัดก็มาตอบย้ำอีกทีหนึ่งยิ่งของนบีเนี่ยหล่อสอนเจอะมากเลยเรื่องมารยาทนะลูกกับพ่อแม่ควรจะปฏิบัติอย่างไรเอาวันนี้มาเจอมาดูอายาที่ส3บสาก่อนที่จะอธิบายเรื่องอายาสามบสามมีดูอาอยู่บทหนึ่งตอนเจออกจอกจากมัสยิดเนี่ย ว่าไงนะอัลลอฮุมะอินนีอัซอาลูกะมิมฟัมลิกะอัลลฮุมะอินนีอัซอาลูกะมิมฟัมลิกะแปลว่าอะไรโอ้ Allah ฉันขอฉันขอจาก Allah เนี่ยขออะไรฟัมลิกความโปรดปรานฉันขอความโปรดปรานจากท่านประทานให้แกฉันเถอะพอจะออกจากมัสยิด อีตอนเข้าเนี่ยขออะไรนะ um ni, um ah อัลลอฮุมอินนีอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอบบาบาระห์มัติกะโอล l l a h ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาตอนนั่งอยู่ในมสัสยิดเนี่ยขอความเมตตาละห์มะอ่าขอละห์มะให้แก่เราด้วยเถิดอย่าลืมนะคนที่นั่งอยู่ในมสัสยิดนี่มีมาลาอิกะนะ ของอัลลอ์นะนั่งอยู่กับคนทุกคนแล้วก็จะมาขอดุอิสามอย่างให้อัลลอฮ์อัลลอฮุมะฮัมหูอัลลอฮุมักฟิดละหูโอ้อัลลอ์อภัยโทษให้กับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้โอ้อัลลอฮ์อภัยโทษประทานความเมตตาให้กับคนในมัสยิดนี้นะครับนี่มาลาอิกกามาขอพิเศษให้เลยนะอัลลอฮุมัฟตะอัลลอฮุม อัลลอฮุมัดฮัมหูอัลลอฮุมักฟิดละูมีสองข้อมันจะสามสองข้อแต่นี้ตอนตอนจะออกเนี่ยอ่านว่าไงนะอัลลอฮุมะอินนีอัสอลูกามิมฟอดลดูอาที่กล่าวเหมือนกันเนี่ยยังมีอีกอีกอย่างหนึ่งตอนได้ยินไก่ไก่ขันตอนได้ยินไก่ขันให้ให้อ่านนี่แหละอัลลอฮุมะอินนี้อัสอลูกามิฟล ได้ยินไก่ขันกับออกจากมัสยิดเนี่ยให้อ่านอาเหมือนกันอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะมิมฟาบลิกะไก่ขันใครที่เลี้ยงไก่ไก่มันจะขันไก่ตัวผู้มันจะขันไอ้คนที่ไม่เคยเลี้ยงไก่ก็ใครไก่ก็ไม่จะขันก็ไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ที่บ้านผมมีไก่แจ้อยู่ตัวหนึ่งขันตอนซุบโบเนี่ยว้าไอ้เรา่องตื่นนะมันจะสปอเสียงอาจาร์นะ ตื่นเพราะไก่ขันแล้วก็นั่งนึกขันทําไมไปเปิดทาริสดูอัลลอฮ์ไก่เนี่ยมันจะปลุกให้คน้นตื่นปลุกให้คน้นตื่นมานามาดไก่อะมันอิมานมันต่ออัดต่อไรต่อคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็เราอ่ะเราใหยอัลลอฮ์ให้อิสระ ให้ทงความคิดแอนตี้ก็ได้รับก็ได้ให้อิสระคอว่าฟรีทิงกิคิดอิสระแต่ัตสนาอื่นๆที่อัลลอ์สร้างมานั้นเดินตามคำสั่งของอัลลอฮ์หมดเลยฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันให้กล่าวว่าไงนะอัลลอฮุมะอินีอัสอลูกะมิมฟะบลิกะจะออกจากมัสยิดก็อ่านตัวนี้แหละได้ยินไก่ขันก็อ่านบทนี้แล้ว ขอบคุณอัลล سبحانه และก็ุอตาลาเอามาเจออายะที่สามสิบสามวัสสลามอะลัยย์อัลยมาวุลิตุอัลยามาอามุตุอัลยามาอุบะสุฮัยยะอัลฮัมดุลิลลาอัลลดีมากครับวัสลามวัสลามนี่แปลว่าความสันติมันชื่ออัลลอด้วยนะ วัสซาามเนชื่ออัลลอฮ์ด้วยแปลว่าความสันติความสันติเนี่ยเกิดกับใครอาลัยอะ ไ, ได้มีแก่ฉันคือขอความสันติจงประสบแก่ฉันนี่อัลลอฮ์เล่าเองว่านาบีไอซานะพูดว่าอย่างนี้ขอความสันติจงประสบแก่ฉันเยามาวุลิตุวันที่ฉัน ถูกคลอดวันที่ฉันถูกคลอดน่ะความสันติจากอโลประทานให้แกฉันทําไมต้องพูดเึงวันวันเกิดแล้วก็ต่อมาวายามาอามูตุแล้วก็ความสันติประสบแกฉันในวันตายวายามาอุบอาสุฮหยาและความสันติประสบแกฉันในวันจะถูกฟื้น ให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคีอรอตัวร้องกอมนุษย์ได้มีอยู่สามวันที่น่ากลัวที่สุดท่างนง้นอัลลอฮ์ไม่เล่าใ น, นกนพาพิการนี่ภาพที่ท่านที่ผมเสนอเมื่อกี้เนี่ยเด็กอายุสิบแปดเนี่ยนี่วันตายนะยังไม่ได้ฟื้นนะหน้าเบี้ยวบูดหมดแล้วกระดูกกระดูกหักหมดแล้วหมอเช็คพ อ, พอไปไปขุดออกมาจากจากกูโบนี่นะ แค่สามชั่วโมงนะมาเช็คใหม่อีกทีนงึงกระดูกกระดูกหักหมดเลยผมขาวตาตอนเล่นธรรมดาคนตายเนี่ยตาอะไรตาหลับใช่ไหมเพราะพอไปขุดขึ้นมาเนี่ยตาโอ้โห <laughs> เห็นภาพแล้วกลัวฉะนั้นตอนตอนตายตอนเกิดตอนตายตอนฟื้นคืนชีพในโลก อ, อเาเคโรเป็นวันที่อันตรายที่สุด นอกจากคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองคนที่อัลลอ์จะคุ้มครองไม่ให้มีอันตรายต้องคนประเภทไหนต้องเป็นคนที่มีาศาสนาเท่าที่ Allah จะคุ้มครองฉะนั้นแม่ที่คลอดลูกออกมานะครับวันนี้มันอาจจะไม่เห็นหรอกขนาดคลอดลูกออกมาเนี่ยอัลลอฮ์ยังสั่งให้เราขอดูอาเลยวันที่เจ็ด พอวันที่เจ็ดเสร็จแล้วมาทำไงนะให้โกนผมไฟให้เช้วะให้เชือดแพะถ้าแพะไม่มีก็มาต้องเชือดใช่ไหมแล้วให้ตั้งชื่อแล้วก็ทำตานิกแล้วให้ขออุดมเห่นยังนี่สุนทนะบีแบบพิท่านนะบีให้ไว้มันดีทั้งหมดน่ะ น, นี่แหละพอเราขออุดาให้กับลูกของเราปั๊บนี่อัลลอฮฺอักบัฮ ยังมีอีกคดีหนึ่งอธิบายว่าตอนคลอดออกมาเนี่ยให้อศาจารที่หูขวาแล้วก็มีบางอรายงานนึงกับว่าอาจารย์อศาจารย์ที่หูขวาอีกกอมากที่หูซายก็อย่าเป็นฮฮดิษที่ขัดแย้งกันอยู่ดอกไอ้รืหม่ดอกอแต่อศาจารย์ที่หูขวาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองความเห็นก็ว่าอนุญาตให้ทำได้เพื่อต้องการจะบอกว่าลูกที่เกิดออกมาเนี่ยนะอศาจารย์ที่หูขวา อีกอร์มาที่หููหูซ้ายด้วยนะทั้งสองสองอย่างคนเนี่ยนะเวลาอาจารย์จะหูอาจารแล้วก็อีกอม์มาเนี่ยเขาจะนำมาดกันใช่หรือไม่ใ ช, ใช่เพราะอาจารย์แล้วก็มีอีกอร์มาอีกอม์มา ก, ก็รอตักเบสใช่ไหมฉะนั้นเลยคนตายเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่อาจารอีกอร์มามาถึงนำมาดเนี่ยแค่กี่นาทีรอแป๊บเดียว เพื่อจะบอกให้รู้ว่าคนที่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ที่ว่าห0ปีเจดปีนะ่ะแค่ระหว่าง อ, อิกอมะกับตักเบรดเท่านั้นเองนั่นคือเวลาจริงๆของมนุษย์รู้ได้ตอนไหนอ่ะไปฟื้นขึ้นในโลกอาคิเราพอไปยืนอยู่ในโลกอาคิเราปับเพิ่งรู้เลยว่าที่เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆ ไอ้แป in ๊บเดียวนี่แหละไปกำหนดให้เราอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอลน่าคิดมากครับอะลละทั้งหมดเป็นเป็นเป็นข้อเตือนใจเราทั้งหมดเลยนะนบีอินซาบอกว่าวสซาดามอาลายยสันติมีแก่ฉันยาวมาวุลิตุวันที่ฉันถูกคลอดวายาวมาอมูตุและสันติ มีแก่ฉันในวันที่ฉันตายวายูมาอุมะอาสุไฮะและความสันติมีแก่ฉันในวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งในปรโลกต้องการจะอธิบายว่าตลอดทางชีวิตของนบีอิสลาฮิสลามนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ใต้ความ เมตตาของอัลลอ์ตลอดทั้งชีวิตเลยเราเองก็เหมือนกันนะถ้าจะให้อัลลอ์เมตตานะให้อัลลอ์ประทานความเมตตาให้กับเราก็ต้องเอาอัคลาสเอามารยาทของนบีทั้งหมดนะเอามาอยู่ในตัวของเราแล้วก็นี่นะใช้ชีวิตให้อยู่ในศาสนารหกมักเนี่ยก็จะถูกประทานลงมาให้กับเราตอนคลอดออกมาใช่ไหม อ้านี่คุณแม่ก็ดูแลอยู่แล้วอัลลอฮฺเมตตาอยู่แล้วถ้าอัลลอฮฺไม่เมตตาเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะนี่อัลลอฮฺเล่านะวันโอดเนี่ยฉันเมตตาคุณนะอาจจะนี้ระหว่างโอดออกมาเรียนหนังสือกว่าจะจบจนกระทั่งตายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่หกสิปีเจดสิปีใช่ไหมนี่ถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺก็ต้องเลือกชีวิตขนทางที่ถูกต้อง ที่นบีอีสาสอนที่นบีมุฮัมมัด ส, สอนและบรรดานบีท่านอื่นๆที่สอนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนๆกันแต่เราต้องเน้นนบีมลลลุฮัมมัดสโลโลในอิบัวสัลลัมนะตัวลวงว่าสามวันเนี่ยเป็นวันที่อันตรายที่สุดฉะนั้นเราต้องขออุทิศต่อรอโอ้เอารอให้ฉันมีชีวิตอยู่ที่ดีตอนตายแล้วก็ขอเลารอให้ฉันได้รับความร่มร้าจากอัลลอฮ์ตอนไหนนะตอนฟื้นคืนชีพแสดงว่า ทุกคนตายแล้วต้องฟืน้นทําไมต้องเน้นเรื่องฟื้นฟื้นน่ะเพราะคนในโลกนี้จํานวนไม่น้อยนะที่พูดว่าตายแล้วไม่ฟืน้นตายแล้วตายเลยใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่เราเองก็สงสัยถ้าไม่อ่านกุณอ่านนิมิตาแล้วจะฟื้นได้ยังไงอ่ะอ่าเด็กก็ขอบคุณ Allah นะแต่นี้คําอุลามะอุลามะตัปเชิงอธิบายอย่างนี้ยาวมาวุลิตตู เย้ามาูลิตตูวันเกิดนี่หมายถึงขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาออธิบายดีนะวันเกิดที่นี่หมายถึงขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาโอ้อัลลอฮ์ประทานราะมะให้แกฉันประทานความสันติให้แกฉันทีนี้ไอ้ที่ขอจากอัลลอฮ์ให้ประทานให้เราต้องทําตัวด้วยนะไม่ใช่ขอดูอาอย่างเดียวนะเอาต่อมา วายาอมาอมูตุระหว่างที่ฉันอยู่วันตายหมายถึงขณะที่นอนอยู่ในกุโบยาวมาูลิตุขณะอยู่บนโลกดุนยาฟิดดุนยาวายาอมาอมูตุในวันตายก็คือขณะที่นอนอยู่ในสุสานโอ้นี่สองวันนี่ใหญ่นะนอนอนสุสานนอนนะ ผมว่ามากกว่าชีวิตอยู่บนดุนยาเอ้าตั้งแต่น บ, บีอาดามมาวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยเป็นล้านนะและอีกเมื่อไรจะถึงวันกี่เยะมากก็ไม่รู้แล้วนอนอยู่ในสโสาาเนี่ยนี่แค่นอนไปสามชั่วโมงแล้วหน้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะเนี่ยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวช่วยพิมพ์แจกแจกกันแล้วก็มาถ่ายแจกแจกกันไปก็แล้วกั น, กกก น, กน อ, อัลลออาบุล อ, อาบุบุลอาบุลอา แล้วก็อีกวันหนึ่งวายาวมาอาบาสุให้ในวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือในโลกอาคีรัลโลกอาคีรัลนี่อธิบายยังไงวันหนึ่งในโลกอาคีรัลเท่าไรปีห้าหมืนปีวันหนึ่งนะห้าหมืนปีถ้ายืนสองวันเท่าไรแสนปีถ้ายืนครึ่งวัน 2 5 0ห0ันปีเอาอ่ะมันก็ต้องเอาอ่ะไม่ว่าเราเรามาเร็วอ่ะแต่นี้เป็นต้นอ่ะอย่าลืมนะวันเกิดหมายถึงโลกดุนยาวันตายหมายถึงชีวิตนายกูโบวันฟื้นคืนชีพชีวิตในโลกอาคิรอที่ยาวที่สุดในวันนั้นอย่าลืมนะหลังจากวิญญาณออกจากร่างต้องผ่านด่านแปดด่านจนกว่าจะพบสวรรค์หรือนรก แปดดานร อ, ออยู่บนดุงยานี่พบกี่ดานสามดานเองตอนเด็กตอนนุมตอนแกเท่านั้นเองมันด้เยอะใช่ไมแต่หลังจากตายไปแล้วจุว่าจะเข้าสวรรค์นนะ่ะแปดดาน เ, าเดี๋ยวอ่านตัาซีไปจะพบทีละข้อละข้อละข้อลขอลาลร้อนเล่ากันนะครับเอาต่อมาอายาที่สามสิบสี่ อายะห์ที่สามทีสามอุล玛เขา อ, อธิบายอย่างนี้นบีอีสานี่นะเป็นคนธรรมดาทําไมมาเน้นตรงนี้ลนะ่ะเพราะพี่น้องชาวคริสเตียนเนี่ยเขาเน้นว่านบีอีสาเนี่เป็นบุตรของอัลลอฮ์มีคนเชื่อว่านบีอีสานี่เป็นลูกของอัลลอฮ์สุบฮานหูวาตาแล้วท่านรับการจะเล่าว่ า, วาถ้าลูกอัลลอฮ์แล้วมันก็ต้องพิเศษใช่ไหมนะ่ะ อัลลอฮ์ Allah ต้องการจะเรา่าไม่ใช่เป็นคนธรรมดานี่แหละตายเกิดธรรมดาตายธรรมดาแล้วก็ฟื้นคืนชีพในโลกอคะคริลเป็นคนธรรมดานาบีอีสาไม่ใช่พระเจ้านาบีอีสาไม่ใช่มีสิทธิเหนือมนุษย์คนอื่นก็ไม่ใช่แต่เป็นมุงอนันดีสาี่อัลลอฮ์ส่งมาให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีความสามารถที่จะให้นบีอีสาเกิดผ่านแม่โดยไม่ผ่านพ่อสแสดงถึงกุฏิรรของอัลลอฮ์สุบฮานาหวูวาตอาดา นับสามสิบสซาลิกาอิซาบนุมาเรียมกลาล่า الحق ล้วีฟีฮัมตูนซาลิกาอิซาบนุมารียมนั่นคืออิซาบุตรของมารยม นี่เป็นเรื่องเล่านะอ่ากราุรอานเนี่เรื่องเล่าของนบีอีสาอีสาลูกของใครลูกของนางมัดยำนะครับไม่มีพ่อนะกาลฮักตีเรื่องของนบีอีสานะ่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอ่ากาลฮักตีคากล่าวหรือเรื่องเล่าที่อยู่ในคัมภีร์กรุรอานเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมด เก้าหลักเตเป็นความจริงทั้งหมดฉะนั้นใครที่เล่าเรื่องนบีอีสาอื่นจากที่อัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดที่อัลลอฮ์เน้นนะเก้าหลักเตก้าหลักเตเรื่องของนบีอิสลาการต้องเล่าจากอ AH, ัลลอฮ์ผ่านผ่านนบีมุฮัมมัดผ่านกูร์านเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเหมือนกับนบียูซุฟเหมือนกันเรื่องนบียูซุฟอัลกิสซามเนี่ยเล่ากันเยอะมากแต่ทั้งหมดเหล่านั้น ฉะนั้นถ้าจะรู้เรื่องนบียูซุฟจริงๆก็ต้องอ่านจากอัลกุรอานสุร้อนนบียูซุฟรุตสุร้อนยูซุฟบทที่12นะไปเปิดดูนั่นแหละเรื่องจริง จ, งจากอัลกุรอานทั้งหมดเป็นเรื่องจริงผ่านอัลลอฮฺสุบฮานาหุตอาลัยฉะนั้นใครที่มีความเชื่ออื่นประจากอัลกุรอานเป็นความเชื่อที่ผิดทั้งหมดและไอผิดนี้นะไม่ใช่ผิดและไม่ถูกลงโทษนะถูกลงโทษจากอัลลอ วันไหนครับในวันอาคิร์หเดี๋ยว จ, เจะเจอมาอ่านไปจะเจออีกนะครับเกาลาฮักไปในเรื่องของนบีอีสานะครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอัลลาดีฟิฮัมตารูนซึ่งพวกเขายําตารูนที่พวกเขาสงสัยคิดกั น, นลอยยางลอย่างลอย่างใครสงสัยและมีอยู่พวกไหน พวกยูเนี่ยคิดอย่างหนึง่งเรื่องนบีอีซาพวกคริสเตียนคิดเรื่องนบีอีซาอย่างหนึง่งแล้วก็พวกบูชาเจเวตเนี่ยก็คิดเรื่องอัลลอฮ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันตัลงังกา 3, สามศา 4, สนาสี่ศาสนานี่มีความเชื่อคนละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างทางั้งทั้ที่อัลลอฮ์นั้นมีเป็นพระเจ้าองค์เดียวพูดง่ายๆคริสเตียนยู you, นะครับพวกบูชา เวิตในนครมากะ์นับถืออัลลอฮ์กันหมดทุกคนแต่ว่ามองภาพอัลลอฮ์กันคนละอย่างสองอย่างนบีพวก réussi, คริสเตียนมองภาพอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีลูกชายชื่อนบีอีสาพวกเยวูดีมองภาพอัลลอฮ์เหมือนกันว่าอัลลอฮ์มีลูกชื่อท่านอูเซสอุไซส์อิบนุลอพวกอาหรับจาฮิ hum. ดียะในนครมากะร์ มองอัลลอฮ์อีกภาพหนึ่งว่าอัลลอฮ์มีลูกสาวมาลาอิกะทั้งหมดนเป็นลูกสาวอัลลอฮ์หมดเลยแต่นบี ม, มุ h a ม m a นี่มาโลโกคำสอนนี่ทั้งหมดบอกไม่ใช่ของอัลลอฮ์ก็คือล ا อ ل ه إلا الله قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ سَمَّدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ นี่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน นใครที่เชื่อผิดๆนะไม่จะผิดอย่างเดียวไม่พอนะถูกลงโทษจากอัลลอ์ด้วยเชื่อผิดนี่อย่าคิดว่ามันถูกนะอย่าคิดว่าไม่มีอะไรหรอกบนดุนยาไม่มีจริงแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษในความคิดที่ผิดคิดผิดทำผิดนะคิดผิดเชื่อผิดทำผิดอัลลอฮ์คิดผิดเชื่อผิดทำผิดฉะนั้นต้องเรียนจากอัลกุรอานนะ เรื่องราวของน บ, บีอิสา์ทั้งหมดที่อยู่ที่ถูกกล่าวไว้นานขั้นอัลกุรอานเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอีกอายาหนึ่งอัลลลอกล่าวอย่างนี้อัลฮักบูมิรอบิกความจริงนั้นมาจากผู้อภิบาลของท่านฟาลัตกุมมิน um ัลมุมตารีจงอย่าเป็นผู้สงสัยแค่นั้นเรื่องจริงให้อ่านจากอัลกุรอาน อยู่ในคำพีเล่มอื่นๆไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดฉะนั้นเรื่องจากโกรุรอานความรู้จากกุรอานนั่นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพูดง่ายๆคือตายแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วฟื้นฟื้นขึ้นจะต้องผ่านด่านอีกแปด่านนั่นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ชีวิตเนี่ยอยู่ยังไงนบีมุฮัมมัดมายังไงนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนบีมฮัมมัดสอนอะไรให้ปฏิบัติอะไรเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ไม่ต้องไปสงสัยเลยถ้าหากจะสงสัยยกตัวอย่างง่ายๆไปเดินที่สีคอนเนี่ยไปเดินๆแล้วก็หิวอาหารเอ๊จะกินอาหารยังไง ร, ร้านเจ็คหมดเลยบางเออไม่มีร้านมุสลิมอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็สงสัยอีกคนอ่านศาสนาสงสัยเยอะเนี่ยฮ า, ามหรือเปล่าได้หรือเปล่าจะไปกินอาหาร เออเขียนร้านอาหารเป็นมุสลิมขุมกุงพรมคุมผ ม, ผ ม, ผ ม, ผมดีแต่สงสัยว่าอาหารนี่มันจานเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่านาบีสอนอย่างนี้นะถ้าหากเราสงสัยว่าจานของเขาสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยให้ถือจานเนี่ยไปล้างพอไปล้างพักนี่ความสงสัยมันหมดทันทีต้องลงทุนใช่ไหมต้องเ อ, เอาจานไปล้างใช่ไหม ถ้าสงสัยว่าจา์สะอาดหรือไม่สะอาดนาบีแ น, นะนำยังไงให้เอาจานเนี่ยไปล้างด้วยมือของคุณแล้วเอามาใส่อาหารแต่ถ้ายังสงสัยอยู่เนี่ยไปนั่งเครื่องบินยกตัวอย่างนั่งเครื่องบินอาหารที่เขาแจกเนี่ยเราถามว่ า, food not า, ามุสลิมฟู้ดหรือเปล่ า, าพันเอเดนอร์โสเทลบักไอ้ดอนน์ไม่รู้จะกินหรือไม่กินถ้าสงสัยเนี่ยฮะ ด, ดีษบอกว่าอย่ากิน ถ้าสงสัยอย่าไปกินอดไว้สักสองสามชั่วโมงไปกินปลายทางแต่ถ้ามันจะตายจริงๆกินได้ไหมได้แต่ถ้าไม่ตายาจจะสงสัยไม่ให้กินที่มาเรื่องชูบฮาดเนี่ยเรื่องไม่แน่นอนเนี่ยอย่าไปอย่าอย่าไปทำฮารอมหรอมืหรอฮาลานนี่อิสลามสอนไว้หมดเลยเอานี้สรุปให้ฟังเพียงสั้นๆแค่นี้ก่อนนะเอ้าต่อมาครับ <c oughs> ตกลงว่าอัลฮักโกเมรับิก ความจริงนั้นมาจากอัลลอ์ทั้งหมดฟาดะตะกุมมินัลมุมตะรีจงอย่าเป็นผู้สงสัยนะในคำภีอัลกุรอานนี้นะครับต่อมาอายาที่ส5มสิามกะนลิละฮีไอยัตต์คิดะมิูวาลัดซุบฮานะหู إذا قضى أمر فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ ف َ ي َ ق ُ و ن مَا كَانَ ل ِ ل َّ ه ไม่ใช่คุณลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ใช่คุณลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั้นคืออายัตตะคิดามิวุวาลัด ที่อัลลอฮ์จะทรงมีผู้ใดเป็นลูกไม่ใช่ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องนั้นมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงจะมีบุตรพูดง่ายๆว่าอัลลอฮ์ไม่มีบุตรฉะนั้นอย่าไปนึกในทางที่ไม่ดีอัลลอฮ์ไม่มีบุตรอัลลอฮ์ไม่มีลูกนะครับอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาแต่ตรงนี้เน้นนะ อัลลอฮ์ไม่เอาลูกอัลลอฮ์ไม่มีบุตรทำไมต้องเน้นตรงนี้พ่อพี่น้องชาวคริสเตียนเชื่อว่าอัลลอฮ์มีลูกต้องการที่จะเคลียร์เรื่องอตีได้อย่างเดียวคิดผิดเนี่ยมีโทษนะอย่าคิดว่าคิดไม่ถูกจะจะไม่มีโทษนะมีโทษจากอัลลอฮ์สุภาอวลลาห์ท่านคิดต้องคิดดีต้องคิดสะอาดพอคิดสะอาดเนี่ยร่างกายทุส่วนดีหมดเลยถ้าคิดไม่ดีอย่างเดียวนะทุสิ่งทุอย่างเนี่ย เอียนหมดเลยนะอลอจะคิดแค่อิจฉายอย่างเดียวว่ากับคนอิจฉาก็มาอิจฉาใครดีกว่ากันคนไม่อิจฉาเนี่ยหน้าตายิ้มแต่คนอิจฉาเนี่ยเครียดฉะนั้นเวลาแบ่งมาดกเขาเลยสั่งบอกว่าอย่าให้ลูกสะพายกับลูกเคยมานั่งเดี๋ยวมันพากันเพี้ยงกันหมดฉะนั้นเอาญาติพี่น้องมาประชุมกัน อยาเอาเมียมานั่งอยาเอาผัวมานั่งพอนั่งเดีมศกยิ้มหยิบมึงยังไปยอมมั้ยเนี่ยญญ น, นี่นมันเลวอ่ะอันนี้คือสกรรมึงอย่าไปยอมเดี๋ยวก็ตีกันแล้วขึ้นศาลแล้วจบไหมไม่จบเจ็ดปีสิบปีสาสิบปีไม่จบแบ่งประดกไม่จบไอ้ที่ไม่จบเนี่นาายไม่ใช่พี่น้องเรานะคุณอื่นอา น, นี่เล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานี่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งพ่อตายมาแล้วสามสิบปี แบ่งมาโดกไม่ได้คนสุดท้ายดูมันจะโผล่มเข้าไปไม่สำเร็จอัลลอฮ์เก่งทั้งนั้นอา้าวเก่งกว่าอัลลอฮ์อีกมากนาลิลลาฮิอยตะคิะมิวลัดไม่ใช่คุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงมีผู้ใดเป็นบุตรซุบฮานาหูมหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่พระองค์ อีกแลกอดอัมรอนเมื่อพระองค์ทรงกำหนดกิจการใดกอดอไปว่ากำหนดอัมรอนบัตถึงกิจการฝ่อินมาดังนั้นเพียงแต่พระองค์ทรงตรัสว่ า, า, ากุนฝ่ายกูลจงเป็นและมันก็เป็นขึ้นมาตามลำดับ นี่วิธีสร้างของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้แล้วใครสร้างได้อะ <c oughs> ไม่มีใครในโลกนี้สร้างได้อย่างนี้เพียงแต่สั่งว่ากุนจงเป็นไฟยากูุลมันก็ค่อยๆเป็นขึ้นมาตามลําดับอัลลอฮฺอากรบะ้นไม่ไม่จะเป็นต้องอาศัยลูกไม่จะเป็นจะต้องอาศัยภรรยามาปลอบใจอย่างเราเนี่ยทํางานกลางวานันกลางวันเหนื่อยตอนเย็นก็ต้องเห็นหน้าภรรยาใช่ไหม ให้พระยาแต่งตัวสวยๆบางไปยังไงนวดให้ถึงจะหายอ่ะจะเอาเรื่องของเราไปเทียบกับอัลลอ์ไม่ได้แค่นั้นอัลลอ์ถ้าต้องการจะให้โลกนี่เป็นยังไงเพียงทสั่งว่ากุลไฟกูแต่อัลลอ์ก็จะไม่ทำอะไรฝืนธรรมชาตินอกจากนั้นๆนะจ ะ, สะแสดงกุฎจ ต, ตุลล์ให้ชาวโลกเห็นทีหนึ่งผมว่าไอ้ภาพนี้นะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะอัลลอ์แสดงกูจตุให้เห็นเนี่ย ไอภาพในเอาศาสนาแล้วก็ตายเนี่ยนะน่าคิดน่าคิดน่าคิดนะครับ <c oughs> อาญานี้อุลมามะอธิบายว่าพวกโปร เ, สเตสแตนต์โปรเตสแตนต์นเนี่ยนะมีความเชื่อว่าน บ, บีอีซาเอลเป็นลูกของอัลลอฮ์กลุ่มที่สองคาทอลิกเชื่อว่าอัลลอฮ์ก็เป็นอิละ แล้วก็แม่ก็เป็นอิลานางมารยมก็เป็นอิลาน บ, บีอีซาก็เป็นเป็นอิลาไม่รู้ว่าใครเป็นอิลากันแน่ทั้งสามคนเลยเป็นอิลาหมดเลยนะนี่พวกไหนพวกแคทอลิกพวกแอธโดกพวกยากูบียาเชื่อว่าน บ, บีอีซานี่คืออัลลอฮ์เลยเมื่อแคร์ยางเกณฑอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์รู้มีมาตั้งนานนมแล้วก็เลยประทานอัลกรุรอานอายะนี้มาบอกอัลลอฮ์ไม่มีลูก จะเป็นกลุ่มไหนเชื่อก็าตามกลุ่มนั้นผิดทั้งหมดนะครับอุนิัอธิบายต่อไปอีกเมื่ออลัลลอ์มีความสามารถกุลไฟกูลถึงขนาดนี้แล้วจะต้องมีลูกไว้ทำอะไรมีภรรยาไปทำอะไรมีที่ปรึกษาไว้ทำอะไรไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเลยนะอ้าวต่อมาอายาที่สามสบห و อินนัลลอฮฺราบบี وربكم فعبدو هذا طريق مستقيم นบีอิสอาพูดว่าแต่บางตัาสิดอธิบายว่านบีมูฮัมมัดอะละทั้งสองนบีเนี่ยพูดเหมือนกันนะอายานี้นะ วันนบีอีสา์พูดบางคนบอกว่านาบีมูฮัมหมัดพูดพูดว่าไงว่าอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์รบบีทรงเป็นพระผู้อภิบาลของฉันจะตีความวันนบีอีสา์พูดก็ได้หรือตีความวันนบีมูฮัมหมัดพูดก็ได้ได้ทั้งสองนะพูดว่าไง อินนัลลอฮ์รอบบีแท้จริงอัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันมีําพูดที่สวยมากเลยเราวันนี้ที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องพูดคำนี้แหละเป็นคำที่ดีที่สุดอัลลอฮุรอบบีอัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันพูดอย่างนี้มีรางวัลมีผ ล, ลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ سبحانه และุะุตาลาวารอบบุกุมแล้วก็เป็นอีกเป็นพระผู้อภิบาลของท่านด้วย ไอคำนี้แหละที่ฟาโร่มโกรธแล้วเกินที่ลูกสาวฟาโร่เนี่ยมีผู้หญิงที่มาช่วยหวีผมอ่ะแล้วก็หวีนี่มันตกพอวีตกภาพว่าอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์ปมายประกาว่าเนี่ยนี่มันชื่อใครอ่ะอัลลอฮ์ผู้รบบิวบารับบุกุมอัลลอฮ์ um. เป็นพ ร, ระอภิบานของฉันและของคุณด้วยแล้วก็เอยถึงพ่อคุณด้วยคํานี้ที่ฟาโร่โกรธนะัก ถึงได้จับผู้หญิงคนนี้โยนใส่น้ำมันเดือดอและลูกอีกสามคนและผลสุดท้ายวันที่นบีขึ้นเมรอชไปเนี่ยไปได้กลิ่นหอมอยู่บนสวนสวรรค์ทั้งๆคนละสมัยกันแต่อัลลอ์ให้เห็นยังเขามีอตีดานางมีอาตีดาที่เชื่ออัลลอค์องเดียวเสร็จแล้วถูกทรมานถูกฆ่าตายเสร็จแล้วอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์กลิ่นหอมมากเป็นอย่าง ถ้าให้อ่านประวัติประวัติจากอัลกุรอานเราไม่รู้เลยว่าอคนในสมัยฟาโรห์ที่ถูกทรมานถูกฆ่าไปเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขามีชีวิตอยู่ได้รับริสกีจากอัลลอฮ์เสมอเนี่ยพี่น้องเราที่ถูกฆ่าในประเทศต่างๆเยอะไปหมดนะเนี่ยพวกนี้ได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะอ้าต่อมาพี่น้องวารอบบูกุมอัลลอฮ์เป็น ผู้อภบาลของฉันวารอบบุกุมและของท่านด้วยฟาบูดูหูดังนั้นจงเคารพพระดีพระองค์จะนั้งการเชื่ออัลลอ์การปฏิบัติตามอ AH, ัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดหรือผ่นานนบีอีสาก็าตามนี่แหละเป็นฮาดาริรอตุมมุสตะกีมนี่คือทางที่เที่ยงตรงยิง่งเห็นมหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วฉะนั้นเรียนศาสนา หลังจธอจบด็อกเตอร์เรียนศาสนาได้ไหมได้นี่เดี๋ยวนี้มีผู้หญิงโทราพา์มาหาผมเยอะอาจารย์ฉันจะขอเลิกก่อนเลิอกอะไรเลิกกับสามีทำไมอ่ะไม่เอาศาสนาเนี่ยสุบโบนอนาฏพอตอนเย็นๆ เ, เ, เมามีไหมมีนี่โทราพา์มายเยอะ วันนั้นอย่างน้อยห้าคนหกคนผมแต่จากจังหวัดไหนสตูลก็มีเนี่ยสตูลคนกฤษณ์นั่งอยู่เนี่ยสตูลก็มีพังงาก็มีภูกเก็ตก็มีในกรทมเนี่ยก็มีผมไม่กล้าถามากรทมแถวไหนกูจะเจอคอนเครดคุณยัล่ามาจากไหนพอบอกกรทมพอพออย่าอย่าบอกชื่อยอย่าบอกชื่อกูจะเจอริม บ, บ้านผมจะเสียหวอยู่นี่ยอัสตัฟเฟล ว่าอินนัลลอฮฺอาอกรบีว่ารับบุคุมฟ้าบูดูฮะจัซิรอตุมมุสตะกีเนี่ยถ้าเราอ่ า, านกุรรอารแล้วรู้ความหมายนีอิหม่ามอานเนี่ยใจมันเพิ่มอิหม่าน่ะใจมันเพิ่มอ่มะอัลลอฮุรลอฮบีอัลลอฮเป็นพระผู้อาริบานของฉันว่ารับบุคุมพระผู้อาริบานของท่านท่างหลายฟ้าบดูดูดังนั้นทั้งฉันและคุณนี่แหละ จะต้องน้อมรับน้อมรับคำสั่งของอัลลอ์โดยด้วยความนอบน้อมแล้วก็ทอมตนต่ออัลลอ์สุภานวตาลาฮะจารรอตุมมุสตกีมนี่แหละเป็นหนทางเดียวที่ถูกต้องที่สุดอัลลอฮฺอักบะฮอัลฮัมดุลิลลอัลอมาอัอมะอาอายาที่สามสิบเจ็ดฟัฮตาลาฟัลอาฮฺจบูบะ วัฒน์ตาละฟันอาห์จับบูมิมไบเนห์มฟาไวลุลลิละซินคาฟารูมมัชฮัดิอุมอัลกิมเนี่ยไงอ้ายานนี้ไงคนที่คิดผิดถูกเล่นงานจากอัลลอฮ์เมื่อไหร่อ้ายานนี้อธิบาย ฟักตาลาฟลอะฮฺซับมูมิมบายนิฮิมแต่คณะอะฮฺซับเนี่ยแปลว่าคณะหรือว่าหลายคณะหลายคณะที่คิดผิดเนี่ยนะคิดไม่เหมือนกับที่อัลกุรอานคิดคนที่คิดไม่เหมือนอัลกุรอานคิดคนที่ไม่คิดเหมือนนบีมูฮัมหมัดคิดคนที่คิดเหมือนไม่เหมือนนบีอีสาคิดเป็นยังไงเขาเรียกว่าคณะหลายคณะในนิกายของพวกเขา ของใครของเขาก็มีสามศาสนาใหญ่ๆพวกคริสเตียนพวกแคทอลิกพวกออทอดอกนี่ทั้งสามนี่ตัฟซีสนะตัฟซีสอธิบายนะตัฟซีส์ภาษาอุลซูด้วยสามเลยนะสามกลุ่มนะชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์คทอลิกออทอดอกนะครับเชื่อยังไงต่อมาฟัคตาและฟอฮัามมิบนิหิมและคณะหลายคณะ ในนิกายของพวกเขาได้ขัดแย้งกันเห็นไหมได้ขัดแย้งกันมิมใบนิเฮมในระหว่างพวกเขากันเองขัดแย้งในเรื่องอัลลอฮ์นี่แหละขัดแย้งกันเองว่าอัลลอฮ์มีบุตรอัลลอฮ์หรือว่าขัดแย้งเรื่องนบีอีซาพวกยูเนี่ยอธิบายอย่างนี้เชื่อว่านาบีอิสลาเนี่ยเป็นลูกซีนาเห็นไหม เป็นลูกซีนาทำไมก็ี้าพไม่มีสามีพอไม่มีสามีมองนบีอีซาเป็นลูกซีนาอ้าวนั่นอันเลวสุดๆเลยคิดผิดแล้วก็ชาวโปรเตสแตนต์เนี่ยพูดว่าอีซาอิบานุลลออีซาเป็นลูกของอัลลอฮ์คาทอลิกก็คิดอีกอย่างหนึ่งออเทอดอกเนี่ยพูดว่าอิสาคืออัลลอฮ AH ์อออออ AH เลยสามสี่กลุ่มเนี่ยขัดแย้งกันเองในระหว่างพวกเขา อ้ามาดูต่อไปฝ่าวายลุนอ่าวายลุนแปลว่าอะไรความอะไรนะความวิบัติหรือความชีบหายกว่าชีบหายเนี่แรงเอาความวิบัตมิมาเพราะหน่อยฝ่าวายลุนทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในความวิบัติเห็นอย่างทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในความวิบัติทั้งหมดลิลลาลีนากาฟารูแดผู้ปฏิเสธ อ้าวใครที่ไม่เชื่อตามที่นบีมุฮัมมัดสอนใครที่ไม่เชื่ออย่างที่นบีอีสาสอนพูดในเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยนะได้รับความวิบัติหมดแต่อัลลอฮ์ก็พูดเพราะนะลิล ล, ลีนะกาฟารูผู้ที่ปฏิเสธทั้งหมดนั้นรวมถึงพวกเราที่เอามุฮัมมัดแต่ไม่ยึดซุนนะนบีก็ยุทําไมต้องอธิบายเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อธิบายอย่างนี้นะนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะดุขคนพน คนที่ดูแลน บ, บีมุฮัมมัดนะใครรู้ไหมลุงนะชื่ออะไรอบูอะไรอบูตอลิบอบูตอลิบนี่นะเหมือนกับพวกเราวันนี้แหละรักมุฮัมมัดอย่างดีเลยแต่รักมุฮัมมัดในฐานะเป็นหลานปกป้องมุฮัมมัดใครมาว่ามาตําหนิไม่ได้นี่หลานฉันอย่ายุ่งนะ ปกป้องมุฮัมมัดในฐานะหลานแต่ไม่ได้ปกป้องมุฮัมมัดในฐานะนบีไม่เชื่อว่าเป็นนบีในวันนี้พวกเราเองก็เหมือนกันนะรักมุฮัมมัดจังเลยมันไม่ต่างอะไรกับโบตอลิบรักมุฮัมมัดแต่ไม่ได้รักที่จะเอาสุนหนห나ของนบีมาปฏิบัติอรักมุฮัมมัดโอ้รักมุมฮัฮมมัดอย่างจังเลยอ่ะเอา เข้าใจว่าวิญญาณของมุฮัมมัดมากกวยืนอะไรสุลลัลาาละมุฮัมมัดอจยัดเสียงเพราะใช่หไหมที้รักมุฮัมมัดคือไม่ได้เอาสุนหนาของนบีมาเรียนเนี่ยนี่ผมขอแนะนำมาเรื่องเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องนามาฎก่อนนะนามาตเนี่ยพร้อมกับกาวตักบ็ดและยกมือเนี่ยมีกี่ที่ในนามาตสีท่ที่ขอย้ำนะ นี่สุนัขนบีนะรักนบีสุนัขนบีมาใช่สี่ที่มีไหนบ้างหนึ่งตอนเข้าเสือนมาให้ยกมือพร้อมกับตักบีทให้ตักบีทพร้อมกับยกมือที่ที่สองก่อนจะรู้กุ้วให้ยกมือพร้อมกับตักบีทให้ตักบีทพร้อมกับยกมือแรงที่สมเงอจากรู้กุว้วซาบิอัลลอฮุลิมันฮามีดะให้ กล่าวตักบีทพร้อมกับยกมือที่สามแรงเลยนะแรงที่สเสร็จสองราก็อัดจะทํำรักกระอัดที่สามพอยืนขึ้นให้กล่าวตักบีทเอาล่อพร้อมกับยกมือไม่อยู่ทีที่แต่ ท, ที่ที่ไม่ยกนะทัศนอิ์มาร์พาณีน ะ, าาะทัศนียมารพาฟีฐางวทัศน า, ากับนบีไนงะเลือกยังไงมันต้องเลือกนบีนะ ถ้าไม่รู้อีเรื่องหนึ่งตอนนี้มารู้ชัดแล้วเออนบียกเน่ยสีที่โดยการ น, นี่หัตติสอธิบายชัดเลยนะยกสีที่ฮัตติสของอิมา ม, มุสลิมนะสีที่นบียกสีที่รอฟิเอตเป็นคนอธิบายเป็นคนนําหตติสนี่มาอธิบายมาสอนซอฟบะ ท, ทันนบีซอฟบะเอายกตัวอย่างนะจกนนักนบี ม, มุฮัมมัด ก็ต้องรักที่จะเรียนสุนนะขุงท่านนบีเหมือนกับพี่น้องอบูตอลิฟที่รักมุฮัมมัดในฐานะหลานแต่ไม่จะรักในฐานะรสูนวันตายแต่วันนรกเบาที่สุดเหมือนกันรักนบีอีสาแต่คิดผิดถูกลงโทษจากอัลลสุบตะอลาอลงโทษตรงไหนฟาไวลุนนี่ค่ะความวิบัตรลิลลาดีนักฟารู สำหรับผู้ที่ปฏิเสธเมื่อไร ม, ม, มิมัชฮัดีมัชฮัดนี่แปลว่าวันแห่งชุมนุมตรงกับวันนี้ยังไม่ถูกลงโทษหรอกวันแห่งชุมนุมนูน่นถึงจะถูกเล่นงานจากอัลลอฮสุบฮาน AH อัลลอฮอดทนสูงที่สุดนะไม่มีใครทนเท่าอัลลอฮ์แล้ว อ, อธิบายต่อไปยามินอาซีมวันอันใหญ่หลวงวันอันยิ่งใหญ่ วันชุมนุมยยามุนอาลีมวันที่ยิ่งใหญ่นี่พูดสองครั้งนะมัชฮัดวันชุมนุมวันที่ยิ่งใหญ่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ตุพาห์นะลในตัฟซอธิบายอย่างนี้ท่านอุบะดาบินซาอุมิตรดิอัลลอฮุมะนดูว่าท่านนบีกล่าวว่ามันชาฮิดะอัลเลาอละฮะอิลลัลลอฮใครที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียว ไม่ทำชีีกต่ออัลลอฮ์นี่ตัอามอธิบายนะ2ว่าอันมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮยยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลและเป็นรอซูลของอัลลอ์สองแล้วนะว่าอันหอิสฺอบดุลลอฮว่ารอซูลุขุนบีอิสาเป็นบ่าวของอัลลอและเป็นรอซูลของอัลล์ไม่ใช่ลูกอัลลว่ากาเลุอัลกออิลามารยัม อัลลอฮ์เนี่ยให้วิญญาณมาเป่าวิญญาณลงมาที่นางมารยามคือมลัอิกาเนี่ยมาเป่าบางาาครั้งมักอธิบายว่าเป่าไะที่ข้อมือเนี่ยบางคนมาเป่าที่ท้องเอาละจะเป่าแบบไหนก็ตามนะวิธีการอาจจะมีอยู่สองสามแบบใครที่เชื่อว่านาบีอีซานะครับเป็นลูกของมารยามและเป็นเป่าของอัลลอฮ์เป็นดาวสูลของอัลลอฮ์และก็เชื่อว่าสวรรค์เป็นเรื่องจริงและนรกมีจริง อาจจะขอละหุนรอหุนยันนะอลลอฮ์จะให้เขาเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เรื่องอัตติด้าหมดเลยนะครับอะลามังกานะมันอามันคือว่างานของเขาจะมีอะไรพินเพี้ยนเสียเสียแบบเรื่องงานนะเรื่องอามันนะแต่ไอเรื่องความดีเรื่องความเชื่อเรื่องอัตติด้านี่เขามั่นคงเลยฉันยึดอัลลอฮ์องเดียวมุฮัมมัดเป็นอัลซุนนบีอีสาเป็นเบ่าอัลลอฮ์เป็นอัซุนอัลลอฮ์นางมารยาเป็นแม่ไม่มีพ่อ สวรรค์มีจริงนรกมีจริงยึดให้มั่นงามอาจจะผิดเพียเพ้ยนไปบ้างใช่ไหมอัลลอฮ์จะเอาเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภานหัวตาลละอีก hadis ห, หนึ่งนบีสอนบอกว่าขอยัมาบุคคลีมุสลิมนะละอาหารอัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะอดทนเท่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีแลว้วรู้เป่าอัลลอฮ์นี่นะโกรธมากคนที่พูดว่าอัลลอฮ์คือมีลูก อัลลอฮ์มีภรรยาอัลลอฮ์มีพ่ออัลลอฮ์มีแม่อัลลอฮ์โกรธมากแตท่ทั้งที่โกรธอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ลงโทษเท่าไหร่เป็นลงโทษนู่นอะ่ะมาชัดวันอะไรนะวันฟื้นคืนชีพอยู่ที่ทุ่งมหัชชทุ่งแห่งชุมนุมวันอันยิ่งใหญ่รอไปกี่ปีแล้วเรารอได้ไหมรอเพาะว่าทะเลาะกันในบ้านกเพราะมันทนไม่ไหวไง เมียพูดคํานึงภาษาไม่เพาะเท่านั้นแหละบ้านแตกทําไมไม่ทนม้างอ่ะเอาอัคราเอานิสัยเนี่ยไปใช้นะตนวเล้ว่าเนี่ยนบีเล่าเองนะนบีว่าฉันเนี่ยอลัลลอฮ์เนี่ยนะไม่มีใครอดทนเท่ากับอลัลลอฮ์แล้วว่าอาลัลลอฮ์นั้นมีลูกทั้งๆที่พูดว่าอาลัลลอฮ์มีลูกเป็นภาษาที่อลัลลอฮ์โกรธที่สุดแต่อลัลลอฮ์ก็ยุดจีกุฮุมวายูอารฟีฮิม ผ่นปนไปก่อนแล้วก็ให้ดิสกีมาอีกเอ้าให้อากาศออกซิเจนให้อาหารให้เครื่องดื่มให้ที่อยู่อาศัยกินปบนลงดุนยาไปนี้แต่โกรธไหมโกรธแต่ว่าประวิงไอ้ประวิงน่ยดีไหมเผื่อว่าเขาจะได้เต่บ้าตัวต่วออัลลอฮ์น่ะหันมาเรียนาศาสนาสิพอเรียนปั๊บมันก็ต่บ้าตัวต่วออัลลอฮ์วันนี้ยุโรปรับอิสลามกันทัว่วเลยในอเมริการับในอังกฤษรับอเม ร, กรกิกาผมไปนิก้า ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเป็นคนไทยผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงอังกฤษอยู่อังกฤษทั้งหมดนั่นแหละประมาณนิก้ากันในเมืองไทยผมก็ไปไปนิก้าให้ห้ามดูลินแล้วอีกตอนไปขอวารีเน่ยก็ต้องต้องไปถามผู้หญิงอ่ะให้ผู้หญิงแต่งตั้งผมให้เป็นคนนิก้าเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาได้สังเกตตอนนี้เรพผ่านอินเดียมานะพระ่านอิเดียมาพูดภาษาอังกฤษาาดนะดดกได้ก็เบานะ่อย พยายามตัวครูต้องรู้อะไรเยอะขึ้นเอาพี่น้องอายาที่38อายาสุดท้ายนะอัมอสมาบิฮิมวาอบซิร38อายาสุดท้ายของของวันนี้นะอันนสมาบิฮิมวาอบซิรยาวุมา ย, ย, มยตุนันา แต่ที่ผิดธรรมในวันนี้พี่น้องขอให้จำอายานี้นะอันเยอะๆแปลว่าอะไรอัศมียบิฮิมวาอับพวกเขาผู้ปฏิเสธรู้ไหพูดว่าไงอัศเมียแปลว่าฉันได้ฟังอย่างชัด ไปพูดบนนู่นไปพูดในทุ่งมาชัดนะฉันได้ยินแล้วได้ยินชัดเลยว่าอับบาเซฉันมองเห็นชัดเจนเลยไอ้เรื่องที่นบีสอนวันนี้งยังมองไม่เห็นน่ะไปเห็นเอาวันนู่นแหละวันอะไรนะวันที่ฟื้นขึ้นมายืนอยู่ในทุ่งมาชัดนะ ที่น บ, บีสอนนะเห็นชัดหมดเลยว่านามานั่นมันได้อะไรอ่านคุรอานได้อะไรถือสินอดได้อะไรเห็นชัดหมดเลยไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะได้ยินชัดหมดเลยทั้งหูทั้งตาได้ยินเห็ น, ห, น, ห, นหมดเลยแล้วพูดว่าไงเยาวมยตูนานาวันที่พวกเขาถูกนำมาหาเรา ตกลงว่าคนที่ตายทั้งหมดนั้นเวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเห็นความดีชัดชัดเห็นความชั่วชัดชัดทั้งได้ยินทั้งเห็นทั้งสองรายการวันไหนวันที่พวกเขาถูกนํามาอยู่ต่อหน้าเราต่อมาเวล า, นนารร ล, ลากินนักรอเลมูนลากินอีกจอเลมูนแต่ผู้ที่ธรรมคนที่ไม่เอ า, าศาสนามีอยู่สามคำนะจอเลม คนอธรรมมุจริมคนชั่วฟาสิกคนเลวมีอยู่หลายชื่อดยกันที่อัลลอเรียกคนไม่เอาศาสนาบางทีก็พูดรอริมบางทีก็พูดฟาสิกูนบางทีก็พูดกาฟิรุนอะไรพูดได้เยอะหลายคำนั่นละกลุ่มเดียวกันนะคนไม่เอาศาสนาเป็นไงครับอัลววันนี้ฟิบัลลิ ม, มูบีน อยู ي ي ่ในการหลงผิดอันชัดแจ้งตัฟซีดอธิบายกุรอานอธิบายกุรอานอายะอื่นอธิบายอย่างนี้วะลาอุตารอิลโมจีมูนานาคีซูรุสหูไม่นาคีซูรุสหูไม่ได้รับบิหิมรับบานาอับซารนาวะซามีนาฟาร์จีนาหนามัลซอลิฮัน อินนามตินู un. ถ้าหากท่านสามารถมองเห็นเมื่อบรรดาผู้มุจริมคนผิดคนบาปคนชั่วคนไม่เอาศาสนาบนโลกดุงยาไปนี้เป็นยังไงในทุ่งมางชาัดน่ะนั่งไงนั่งคอตกลองลองนั่งเขาจะคอตกทำไงนั่งคอตกนี่เล่าภาพ เรื่องจริงๆให้เราฟังนั่งคอตกด้วยความอะไรครับด้วยความอายด้วยหัวใจที่หม่นหมองรอบบานาอินดารบบิหิมนาะพระผู้อาภิบาลของพวกเขาพลางกล่าวว่าอัปปสอรนาเราเห็นแล้วเห็นชัดๆเลย วาสามิฮานาเราได้ยินแล้วฟรัรเจานาโปรดทรงเรากลับนามันโซลิฮันกลับมานะกลับมาบนโลกดุนยาไปนี้อีกะ ท, ทั้งๆใโลกในหมดแล้วนะขอให้อลลอฮสร้างดุนยาใหม่อีกข้งหนึ่งได้ไหมกับมาทำอะไรแก้ตัวมันจะแก้ ในขนณะทรงคุรานมาเนี่ยยังมีภาพมีเหตเห็นบางมันยังไม่แก้เลยมันว่าอ๋อนี่ตอแหลว่ที่ทำเองก็ได้ภาพอย่างนี้ผมไม่เชื่อ <c oughs> อุลามะบางท่านอธิบายว่ารับบานาอบสอรนาวาสมียนาฟะเจานานามันสัลิฮันไม่ยู่สองที่นะตอนนอนอยู่ในกุโบ ก็ถูกเล่นงานตยปับปรับปับหน้าเปลี่ยนผมงอกนะครูโบสิมาก็พูดว่าไงนะอัลลอฮฺจ่าฉันเห็นแล้วอัลลอฮฺจ่าฉันได้ยินแล้วฟาสเจนานาอัมันทรงฉันกลับมามีชีวิตบนดุลยาใหม่อีกครั้งเพราะดุลยามยังไม่หมดเนี่ยทรงกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งฟื้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมมาทําอะไรครับนาอามันโอลิฮันเราจะทําอัมมันติโซแหละอินนามูกินูนฉันเชื่อแล้ว ตอนถูกเล่นงานในากูโบเนี่ยเชื่อแล้วเห็นไหมน่ากลัวมากเลยอ้าวลองตายดูเดีก็รู้พะไม่ตายไม่รู้ตายแล้วขึ้นได้มั้ยละ่ะจากนั้นใครที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าหากว่ามีความผิดอยู่บ้างใครช่วยจะลูกช่วยได้นีล่ลูกนี่ละ้ะ แต่ลูกต้องซ้อแรกนะมาชื่อซ้อนแรกนะต้องลูกซ้อนแรกจริงๆลูกที่ดีมีศาสนาสนใจศาสนาอาชีพก่อทัพให้มันถูกต้องแต่ว่านามนาตยขาดอ่านกลุ่อ่านยิดรูลล่อสม่ําเสมอมันขอร้องอ้าต่ออัลลอฮฺผลบุญถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตอยู่ในกูโบนี่นบีรับรองเอาไว้แค mm ่ hmm. นั้นเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จงนั่นอันลลอฮฺพ่อแม่เสียพี่บราวกม็มีปัญหาลูกช่วยได้ฉะนั้นวันนี้เรามีลูกต้องเออให้ลูกเรียนศาสนาด้วย อันกุรานให้ได้ถ้ามันนมาดเป็นให้ขอดัวอาเป็นจะได้ขอดุออาให้เราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วอ่าสรุปสั้นๆก็คืออัลลอ์จะให้เห็นนะทั้งหมดตอนน้ายหลังตายเห็นแบบไหชัดๆได้ยินแบบชัดๆนี่กุรานทั้งหมดไม่มีควาว่าเก้าลุลฮกเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอ่ะก็ลองตายดูก็รู้ม แล้วก็จะโวยวาย อ, อยู่ในกูโบเราโวยวายใครได้ยินใครได้ยินแต่ท่านวันนี้ไม่มีตั๋วบาตัวต่ออัลลอฮ์ซะตาพระกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ให้หมดไปน่องทุกคนมีความผิดหมดแต่คนผิดที่ดีที่สุดก็คือผิดแล้วสารภาพผิดแล้วก็เรียนศาสนาซะอัลลอฮ์เรียนศาสนาระดับผลจบกิญญาตญญารีมิจารทเข้าใจง่ายจะตายไหแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วละทำโดยเวลาเอ้า ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้มาทบทวนกุรุอ่านวันนี้6อยายะหรือเจ็ดอยายะใช่ <c oughs> ตามคุรอ่านนีนะนบีอีสาเกิดแล้วก็ตายตอนนี้ยังไม่ตายนะก็ต้องลงมาอีกครั้งหนึ่งมาตายแบบธรรมชาติแล้วฝั่งยังไม่ตายอาเอามานี่ตามคุรอ่านทั้งหมดจะลงมาเผยแผ่าศาสนาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งม า, มาหักไม้คงกังเขนนี่นบีเล่าเลยประมาณ นี่เราก่อนก่อนวันกียามัตีแล้วเราจะส่งมาแต่ไม่รูว้ว่าเจะลืมนะทุกๆร้อยปีอัลลอจะมีเาเรียกมุญจัดดิษมาปัดฝุ่นเอาคนดีๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาพัฒนามาเอาสุนนะนบีมาม า, มาอะไรมาสอนกันใหม่มาปัดฝุ่นกันใหม่ทุกๆร้อยปีจากนั้นคารีฟาห์มุสลิมนะ่ะนี่มันจะครบหนึ่งปีนะ ตตุรกีทาลายคอลี่ฟคนสุดท้ายของคนตุรกีนี่มันจะครบร้อยปีอีกประมาณสิปีเนี่ยคอลิฟอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อแล้วรอนะครับเพราะนั้นเราทุกคนต้องต้องเข้าใจศาสนาต้องอีมานต่ออัลลอ์และอย่าเชื่อว่าจะมีกิซาเป็นลูกอัลลอ์ก็แล้วกันนะ س ب ح ุลลอฮฺมุมอฺบิฮามดิกัสวลลออิลฮิอันตะอัสตกคุรุกะวะตบุยไลสาลามุอะลัยุมระห์มัตุลลอฮฺะะรรากา